ข้อนที่ครบคะ่ะเราได้ปฏิบัติทำกันไปตามควรในช่วงต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะปฏิบัติกันต่อไม่ได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้เพราะก็ยังอยู่ในการที่ท่านจะได้สังสมสุตตะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นในลักษณะของการถานตอบคําถามซึ่งจะมีการนําเอาพุทธวจนะเนี่ยนะคะมาในการตอบคําถามทุกคําถามของท่าน โดยพระอาจารย์ไพบูรณอภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีช่วงที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะค่ะน้มสักการกะท่านค่ะค่ะชาเรนพรค่ะอย่างที่คุณติ๋วพูดถึงการสักขาฉาการสนทนาธรรมเนี่ยอันนี้พระรูชาบอกว่าเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดสมาธิได้แล้ก็ ในช่วงแรกของรายการที่มีการทรงสุดตาสังสมสุดตาเนี่ยคือการฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดสมาธิทีได้เพราะฉะนั้นอาจมาจึงว่าในรายการนี้ดีมากเลยนะมีทั้งสองส่วนให้ฟังพุทธวจนะมีการสกักข์ฉาคุยกันด้วยนะจะคลายข้อสงสัยแล้วก็ยิ่งทาให้เป็นพุทธบริษัทชันเลิกได้ค่ะก็ เป็นประโยชน์นะคะตามที่ท่านเพริบุญได้พูดไปแล้วก็ขอให้ท่านได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปด้วยตัวของท่านเอง <Okay. S 2> ท่านเพริบุญคะเมื่อวานเนี้ติดใจในส่วนตัวอยู่ที่ว่าท่านบอกว่าถ้าเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยผู้นั้นมักจะประวรณาโดยไม่มีขีดจํากัดใช่ทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็อยากนะคะเขาก็ต้องการที่จะท่านผู้ฝังคะเรากําลังฝึกสติด้วยกัน พยายามที่จะพูดถึงความปรารถนาในสิ่งที่ดีใช้คำว่าต้องการนะคะถ้าคำว่าอยากเนี่ยท่านบอกว่าพระพุทธองค์จะตรัสกับสิ่งที่ไม่ดีทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยค่ะมีความปรารถนามีความต้องการที่จะปะวารณาอย่างไม่มีขีดจำกัดเช่นกันเพราะศรัทธาเหลือประมาณแล้วแต่ไม่สามารถที่จะปะวารณาเช่นนั้นได้เพราะไม่กล้าเนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพระสง มีความต้องการอะไรที่เกินกําลังเราจะรับไหวแล้วเราทำไม่ได้ อ, อย่างนี้ใช่เรื่องเดียวกันไหมคะคือการปรวาราณาเนี่ยมีรูปแบบอยู่นะพระพุทธเจ้าให้ระบุไปว่าปวาราณาเรื่องอะไรนะมีระยะเวลาเท่าไหร่สมมุติว่าถ้าเรามเาีเขาเรียกว่าทรัพยากรเท่านี้เราก็ปวาราณาเท่าที่เรามีกําลัง นะบางคนบอกว่าท่านต้องการเดินทางไปที่ไหนนะบอกได้เลยนะก็จะเดินทางไปด้วยไปส่งไปรับได้อย่างนี้ในวันธรรมดาอ่ะจะ่าอาทิตย์ไปไม่ได้ก็พูดลักษณะนี้ก็ได้ก็ปรบลนาอย่างนี้ทีนี้คนที่เขามีทรัพยากรมากมีกําลังมากเนี่ยเขาก็ปรบลนาได้อย่างไม่มีขนะีดขั้นพระเจ้าใช้คํานี้คือคุณมีทรัพย์มากมีศรัทธาด้วยคุณปรบลนาไม่อั้นเลยแต่อออถ้าสมมติคนที่มีศรัทธาเต็มที่แต่มีทรัพยากรน้อยมีกําลังน้อยอ แต่เขาปรณนาเต็มที่ของเขาเนี่ยเขาจะคือถ้าพูดง่ายๆคนเราทําอะไรก็จะได้บุญอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ยมีเรื่องเกิดกิเลสในสมัยพุทธกาลคุณสัญชนีพูดเรื่องนี้ยเป็นประเด็นที่ดีคือก็มีคนที่มีศรัทธามากอย่างโสตบันอย่างเงี้ยศรัทธามากค่ะนั้นแล้วเขาก็ปรณนาอย่างไม่มีขีดขั้นแต่ว่าเป็นสกุลคนจนแต่เป็นโสตบันมีไหมมนะีพระพุทธเจ้าจึงให้ประสงค์เนี่ยมีการอ ประกาศบอกกันว่าเอ้ยครอบครัวนี้นะเป็นครอบครัวเสคาคือครอบครัวที่มีมีทรัพยากรน้อยะแล้วมีโภคทรัพย์น้อยแต่มีศรัทธามากเราอย่าไปขอเขามามีอย่างนี้ภิกษุ ท, ที่เป็นอคันตุกานะเดินไปเดินทางไปถึงวัดไหนหรืออาวาดไหนเนี่ยต้องสอบถามเจ้า อ, อาวาสเลยว่าในที่นี้มีสกุลเสขะไหมสเสขะสตระ ก, กูลไหมะนะที่ว่าเราจะขอเขาไม่ได้ หรื อ, อไม่ควรจะขอ ท, ท, ท, ทั้งๆที่ค้อมบิดผู้มีศรัทธามีอยู่เรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยห้ามไว้เตือนไวแล้วก็อนุญาตไวอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คนที่มีศรัทธาเขาปรามาได้อย่างไม่ขีดขั้นแต่เราพิจารณาเห็นแล้วว่ า, าบ้านนี้นะเรือนนี้ครอบครัวนี้กําลังมีเท่านี้เราก็ตกลงกันในหมู่พระสงฆ์ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเศระอย่างนี้มีอยู่จ้ะก็เป็นการช่วยกันอีกทางหนึ่งใช่ใ ห, ให้ให้รับรู้ร่วมกันพระสงฆ์ ะะทีนี้มาถึงคําถามของวันนี้จ ะ, จะเป็นของคุณสราวุธค่ะคุณสราวุธต้องการทราบว่าคําของอัตตกถาคืออะไรคะรอัตตะกถาอัตตะแปลว่าอธิบายก ะ, ะถาเนี่ยแปลว่ า, าข้อความหรือว่าข้อมูลอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอัตตกถานี่ก็คือข้อความที่อธิบายอธิบายอะไรอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธวจนะ นะอัตถกถาคือข้อมูลหรือข้อความที่อธิบายสิ่งที่เป็นพุทธปจะณะถามว่าใครเป็นคนแต่งก็จะเป็นใครก็ได้ที่มีความรู้นะถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ได้หนังสือทั่วไปที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขียนนั่นเป็นอัตถกถาทั้งหมดเขียนโดยใครเขียนโดยอัตถกถาจาร์เขาจะเรียกกันว่าอัตถกถาจารย์เป็นบุคคลที่แต่งอัตถกถาขึ้นมานะเพราะฉนั้นอัตถกถาคืออะไรก็คือสิ่งที่ไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้า ทั้หมดเลยละะถูกต้องอะไรที่ไม่ใช่คำพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอัตถกถาทั้งหมดแค่เป็นคําเทวดามาเล่าว่าโอ้พระพุทธเจ้านะมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นอัตถกถ า, ฐามีมานมคนหนึ่งไปสังเกตพระพุทธเจ้าอยู่หเดือนบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคี้ยวข้าวอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นเป็นอัตถกถาพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดว่าพระองค์เคี้ยวข้าวอย่างไงนี่เป็นต้นนะค่ะลักษณะนี้คําว่าอัตถกถาในที่นี้เนี่ยต้องเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่า เ ป, <อ>เป็นไปได้ไหมที่จะมีคําว่าอัฏฐกถาใช้กับอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่เกี่ยวกับคําสอนอคือเข้าใจละว่าไม่ใช่คําพระพุทธองค์ะนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีใช้ที่อื่นด้วยหรือเปล่าเออคือความหมายมันตรงตัวอยู่แล้วอธิบายนะข้อมูลที่อธิบายอะไรตรงเนี้ไม่มีคําว่าพุทธวจนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้มันกระชับเนี่ยก็ต้องเป็นอัฏฐกถา ของพุทธวจนะอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้อัธรกากัาเนี่ยก็คุณเอาไปใช้เป็นคำทั่วไปอยู่แล้วไปใช้อธิบายทฤษฎีนี้อย่างอินสไตน์นะคริสทฤษฎีนี้ออกมาก็มีคนอื่นเนี่ยไปคิดต่อคิดต่อคิดต่ออันนี้ก็คือขยายเพิ่มเติมขึ้นมา ค่ะแต่ในที่นี้ก็เข้าใจว่าคุณสราวุธเองคงจะถามอยู่ในกรอบของเรื่องที่ใกล้กับคําสอนในพระพุทธศาสนาใช่ใชนะคะก็จึงแยกแยะ ก, กันให้เข้าใจชัดเจนว่าถ้าเป็นอัฏถกถาหมายความว่าเป็นคําของครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าอัฏฐกถาจารย์ถูกต้องไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าค่ะทีนี้ระดับความถูกต้องของข้อมูลก็จะมีอยู่เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่เนืยบเรื่องบทเพลียนชนะมีการกำหนดสมาธินิมิตุครั้งในการพูด แล้วก็คําของพระองค์จะสอดคล้องกันส่วนอัตคาถาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ต้องทำเขาเรียกว่าให้เข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้ ง, จงเพราะนั้นในการทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้ ง, จงก็ต้องมีอถาธิบายเพราะนั้นก็จึงผลิตอัตคาถาออกมาลักษณะนี้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลก็ต้องกลับไปเทียบเคียงกับพุทธวจนะนะคะคือต้องศึกษาร่วมกันพร้อมกันไปถูกต้องค่ะทีนี้มาถึงคําถามถัดมากันท่านค่ะ คนนี้ชื่อด็ตรวิบอกว่าชื่อวิปัสนาจำได้ว่าเคยถามมาแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> พี่สาวตั้งให้สงสัยชอบนั่งวิปัสนาหรือเปล่า <c oughs> ถามคำถามเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์อิติปิโสร้อแปดจบว่ามีาในพุทธวัจนะหรือไม่สวดเพื่ออะไร อ, อิติปิโสร้อยแปดจบคะ่ะอิติปิโสเนี่ยเป็นพุทธวัจนะนะ <c oughs> มีพราม์องค์หนึ่งไปถามว่าแม่ถ้าต้องการยกยอ่องสมสมพุทธเนี่ย จะโชคย่อยังไงพระุทธเจาบอกใ ห, ให้พูดอิติปิโสพระควาอร า, ารางสมัมมาสัมพุโตก็คือที่เราเข้าใจกันอยู่อย่างนี้ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นบร า, ารหารจักรสรู้ชอบด้เลยของเราเองปลาบลาปลาไปอันนี้คือบทอิติปิโสทีนี้ถามว่าร้อยแปดจบเนี่ยใช่พุทธวจนะไห น, นไม่ใช่แ่้วสวดกันสวดเพื่ออะไรแล้วถ้าถามสวดเพื่ออะไรก็ต้องไปถามคนสวดคือถ้าเป็นพุทธวจนะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ บอกว่าให้สวดร้อจบนะแต่เพียงแค่ว่าถ้าใครต้องการยกย่องพระพุทธเจ้าก็ให้พูดบทพยัญชนะนี้ไดะะนะ้ยกย่องพระธรรมยกย่องพระสงฆ์ให้พูดแบบนี้แบบนี้ถ้าคุณมีใจอย่างนั้นในขณะที่คุณพูดอยู่แหมดีมากก็เท่ากับว่ามีสองส่วนอยู่ในคำถามนี้คำตอบเนี่ยมีสส่วนส่วนหนึ่งเป็นพุทธวจนะแน่นอน ถ้าเป็นบทสรนเสริญพระพุทธคุณ<ช>อิติปิโสพัควาอาะอรหังสัมมานะคะ ใ, <ช>ในบทนี้ก็จะมีการบอกเลยว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นอย่างไรความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะตรัสในสิ่งที่เป็นอะกาลิโกสามารถเป็นครูผู้สอนที่ไม่มีใครยิ่งกว่าอะไรเงี้ยนะคะ<ช>ไปะค้นคว้าเอาแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าร้อยแปดจบเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้กําหนดเอาไว้ไม่ได้กำหนดค่ะแล้วก็ดิฉัน ก็เคยนะครมีคนมาบอกบอกว่านี่นะถ้าถึงอายุเท่านี้คุณต้องสวดบวกไปอีกหนึ่งจากอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลอะไรก็แล้วแต่เข้าใจว่าเป็นกุศลโลบายไหมคะท่านที่จะทําได้อืทําได้เรามีสมาธิใช่ไหมคะการสาธยายมนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้เรามีสมาธิไหมคะจะทําให้ทรงจําได้จะเป็นส่วนที่ทําให้ละกุละอกุศลได้ถูกต้องแล้วถ้าคิดง่ายๆแบบก็ช่วยทําให้เราฝึกสมองสมองเราตื่นตัวอยู่เสมออืมก็เป็นไปได้ค่ะ มีคำถามคำถามต่อมาดิฉันชอบบอกว่าการเต้นแอโรบิกเปรียบเสมือนสติปัฏฐานสี่ได้ไหมเจ้าคะเพราะมีสมาธิกับการดูระลึกรู้เท้าสัมผัสพื้นหูฟังเสียงครูและเสียงเพลงและท่าทางที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาโดยรู้ว่าเปลี่ยนอิริยาบถไหนเต้นเสร็จแล้วอุทิศบุญเลยได้ไหมคะเพราะตามกันนะคือ ถ้าเราใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติอันนั้นเรียกว่าใช้เจริญสติปัฏฐานชื่อกายานุปัสนาสติปัฏฐานเอาใหม่ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งทําให้เกิดสตินั่นเรียกว่าเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานใช้กายใช้ยังไงผู้ร้ชาบอกว่าอ่ะลมหายใจได้2เห็นกระดูกได้สเห็นไส้เห็นน้องเห็นเลือดได้รู้ในอาการเคลื่อนไหวได้เพรแล้วการเต้นอารบิกเนี่ย คุณรู้อะไรถ้าคุณรู้การเคลื่อนไหวอะได้นี่ค่ ะ, คะระลึกรู้เท้าสัมผัสพื้นเลยได้ได้หูฟัง <9 S 1> เสียง <ไป S 1> ครูหน้านใช่ใช่ไหมคะก้ะาวไปข้างหน้าถอยกลับไปข้างหลังและดูเหลียวดูการคูคร่การเหยียดการทรงสังกะรีปาจีวอ น, นี้คือการเจริญสติกายานุปัสนาสตริปทานค่ะดรวิบอกว่าทั้งระลึกรู้เท้าสัมผัส พ, พื้นหูฟังเสียงครูและเสียงเพลงและท่าทานที่เปลี่ยนไปตลอดเข้าหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าใจเขาเนี่ยไม่กำหนัดยินดีใน เสียงเพลงที่ฟังไม่กำหนัดยินดีในเชฟที่เราต้องการเป็นนะหุ่นจะ้อมลงอย่างนี้ถ้าไม่กำหนัดยินดีในสิ่งนั้นแหมดีมากอ๋อเท่ากับว่าอยู่ในกายาลูกปัสนาลูกปัสนาตามเห็นกายในกายอยู่อ๋อค่ะตามเห็นกายในกายอยู่แล้วนะมันเป็นมุมพลิกนิดเดียวเท่านั้นเองใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่มีจิต ไม่มีอภิชาและโทมนัสนะไม่มีความยินดีเพ่งเลงมากฉันทาแบบนี่ไปนะฉันต้องได้อย่างนี้หุ่นฉันต้องเป็นอย่างนี้อ่างนั้นเสียงเพลงเพราะจังแม้คนที่มาเต้นด้วยก็หล่อก็สวยถ้าไม่ไหลไปตามอายตนะผัสสะภายนอกดีมากนะอยู่แต่ในภายในอย่าง น, นี้เต้นลีลาดอะไรถ้ามีจิตที่ไม่มีอภิชาและโทมนัสอย่างนี้ก็ได้หมดล้ได้นะพระสงฆ์เนี่ย อาจะไม่พูดถึงคราวาดนะพูดถึงว่าสงฆ์อย่างพระสงฆ์เดินไปเดินจงเดินไปบินตาบาทอย่างเงี้ยโอ้ยมีเรื่องเยอะแยะที่เดินไปบินตาบาทแล้วก็บรรลุกลางทางก็มีมในขณะที่บินทาบาทหรือว่าบรรลุอยู่ขณะเทศก็มีบรรลุอยู่ขณะทีอ่อยู่ถ้ำกลางมหาชนก็มี อันนี้ท่านพูดถึงพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลหรือว่าท่านไปรู้จักพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลมี ม, มีเรื่องอยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นพุทธวัชนะก็มีมีคนมาพยากรณ์การบรรลุอรหัตผลพระองค์เข้าพระเจ้าบรรลุในเรียบทนี้บทนี้มาเล่าให้พระเจ้าฟังอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นอยู่ในเรียบทไหนบรรลุได้หมด ค่ะแต่ว่ากับคําถามของดรวิเนบอกว่าเปรียบเสมือนสติปัฏฐานสได้ไหมก็แค่เป็นสติปัฏฐานหนึ่งสิคะเพราะว่าถ้าสติปัฏฐาน4ี่จะต้องมีกายานุปัสนาจิตตาอ๋อกายเป็นนาจิตและธรรมคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าสติปัฏฐาน4ี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถใช้4อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้อ๋อไม่ต้องทําครบทั้ง4ี่เลคะเออมันมาด้วยกันไงอ๋อค่ะอ่าเหมือนกับจะเอาอะไรนำอย่างนั้นใช่พระเาเปรียบเหมือนกับ ทางสี่แป้ง ค, คุณจะมาจากทางซ้ายทางขวาทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกนะก็มาอยู่ตรงกลางอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะมาจากกายเวทนาจิตหรือธรรมนะก็อยู่ที่สติอยู่ดีเราต้องการอะไรเราต้องการสติสติเป็นธรรมอันเอก เนะพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้ต้องการกายเวทนาจิตหรือทรรมพวกนี้ต้องปล่อยวางหมดแต่เราต้องการสติโมสาธุเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคําถามที่ดิฉันตั้งใจจะถาม ว, ว่าถ้าเราจะเจริญสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยเราไม่เริ่มที่กายก่อนได้ไหมไปเวทนาก่อนได้ไหมแล้วก็เราจะต้องทําครบทั้งหมดหรือเปล่า เลยได้ความกระจ่างเลยว่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอื่นตามมาแน่นอนถูกต้องก็ไปที่เดียวกันพูดอย่างนี้กว่าไปใช้อะไรเป็นฐานหลักเท่านั้นเองต้องแต่สุดท้ายแล้วหลักของฐานทั้งหลายก็คือสติเป็นไปเพื่อสตินะคะโอ้ท่านผู้ฟังคะมีแง่มุมนิดเดียวเห็นไหมคะแต่ว่าวันนี้แหละเราจะมาสรุปคําตอบของดรวิเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยจะได้แม้หมูเลยอย่างงี้ชอบเลยไม่ต้องมานั่งภาวนาอย่างเดียวแล้วยังได้สติประฐานสีด้วยน่างี้ คือคือถ้าเรามีผัสสะมากเนี่ยเราจะเสี่ยงต่อการถูกดึงไปไม่ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะดึงเราไปมันได้แต่มันยากอมันก็ทําได้แต่ต้องมีการฝึกเพราะฉะนั้นรูปแบบของการฝึกที่นิยมทํากันนะคืออยู่ในเรือนว่างเซนาสนะอันสังกัดนะหลับตานั่งกู้ขามีสติอยู่ณจุดเดียวอย่างนี้คือรูปแบบที่นิยมทํากันเพื่อฝึกซะก่อนเริ่มต้นแบบนี้ซะก่อนชํานาญแล้วค่อยไปใช้กับการกระทําอื่นแต่ทีนี้ คำถามสุดท้ายเลยค่ะท่านเวลาเหลือน้อยด้วยพอเต้นเสร็จแล้วดิฉันอุทิศส่วนบุญได้ไหมเจ้าคะได้ทำเลยนะส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาควรทำตลอดเวลาด้วยซ้าค่ะสาธุเลยนะค ะ, ะวันนี้เป็นคำถามที่แปลกท้าทาทยแล้วก็ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังที่เคารพคะเรามานนมาสการขอพระคุณพระอาจารย์พบุญพร้อมๆกันเพราะควรแก่เวลาคะ่ะใช่จะไดพร้่ะ และสำหรับรายการของเรารายการนี้ชื่อรายการสันสนีสนทนาดำเนินรายการโดยดิฉันสันสนีนาคพงศ์นะคะอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติก็จะต้องนัดมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คำถามของท่านทั้งหลายนะคะส่งมาเถอะเห็นไหมคำถามแปลกๆแบบด r ร ว, วิเนี่ยก็มีคาตอบให้กับท่านที่พวร m ม .com/106 ที่ท่านจะเข้าไปศึกษาเรื่องราวอื่นๆหรือว่าไปเสนอแนะอย่างอื่นไม่ต้องถามคำถามก็ได้หรือว่าจะโทรศัพท์มาที่022690006ก็ได้ค่ะวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ